นึกชาดย้อนหลังของพระองค์แล้วก็ดูใส่จะตุบ จ, จะตุบจะตุบปาฏยานเข้าไปกระจายหมดทั่วโลกดินแดนอง ม, มองดูพระองค์เป็นตัวเป็นอันดับแรกเป็นยังไงเป็นเราเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเป็นยังไงโลกทั่วไปเป็นยังไงนั่นที่นี่จะตุบปาฏยาน่ดูความเกิดความตายของสัตว์หลายความเคลื่อนไว้ไปมา ท่องเที่ยวของสัตว์นะจิงเป็นิตุปาตยานออเอาเทาานั้นแล้วก็มันอะไรพาให้เกิดพาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเรามันอะไรหละนันวรรที่สามะท่านเดียวอาสวะขยายเดูตบหนุบน้าพากนั่นมันห้อยังบักเนี่ยมันอะไรเป็นพา หมุนไปเลียนมาอยู่อย่ไม่ถอยจ่อเข้าไปตรงนั้นอว mm hmm. ิชาตวเววัสเสสสวิดาการนธาสร้างฆ่าลาน โ, ลโทจ่อเข้าไปนมัอวิชาญก็ดับนี่แต่ก่อนอวิชาปยาสร้างข้าลามันพาต้องเที่ยวมันเหมือนเทาวันอวิชาปยาสร้างข่าลสร้างข า, า, งข า, า, า ญ, ญาปยาปยาหนังเรื่อย เป็นเทววันนะยาวเหยียดไปพอถอนขวดรากมันขึ้นหมดแล้วตะเววะนะกลับตะระปัดกันดับดับดับดับเป็นหมดเลยเมื่อเข้าในศูนย์กลางมันเลี้ยมมันทำไมไม่เข้าศูนย์กลางของโลกธาตุล่ะใจเป็นศูนย์กลางของความเกิดนี่ ปัญญาอย่างซาเข้าไปตรงนั้นขุดเข้าไปตรงนั้นถํากลางแล้วถอนราแกแจ้วคือวิ ช, ชานพวดขึ้นมาจากถํากลางแล้วกระเทือนไปหมดจิต ด, ดวงไหนผิดกันไปตรงไหนเนี่ยผู้พายเกิดคืออะไรนั่นอันเดียวกันนะ่นอย่างเดียวกันนะัูนสู ง, ส ง, ตงต่ำรุ่มมันดอนก็เป็นไปตามอํานาจแห่งที่บากกรรมดีชั่วเนี่ยนี่ก็ห น, นีไม่ได้อีกเนี่ย เนี่ยแ ว, วัดอย่างลงในทํากลางนีมันกระเทือนไปหมดเลยดูงั้นเรามันชดัดมาดูตัวหมาอี่มันจะไปดูเรื่องไงนี่หมาดูนี่ก็เห็นตัวไอ้ปังปังอะไรไล่ๆด่างๆถ้าดูลงไปนั่นเข้าไปนั่นแล้วทางนั่นแล้วมันจะมาไอ้ปังอะไรอีกและ น, นี่วิชาบริเจ้าแน่แม่ไม่มีใครมาเปิดได้เลย นี่ปริเจ้าพระอย่างนั้นเป็นปฐมมาเริกฉะนั้นกับราษาวกทั้งหลายก็พุ่งอยู่บนนิสัยแก่กล้าสามารถพอที่จะรู้จะเห็นตามอยู่แล้วกับปั๊บนี่ก็รู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามเรื่อยไปทีนี้กระหาสงสัยไม่ได้สิเมื่อผู้นี้เปิดเผยตัวเองแล้ว จะไปสงสัยอะไรไม่มีอะไรนี่รับได้แล้วเพราะจิตตรงนี้เปิดเผยตัวเองแล้วทราบเรื่องราวของสิ่งเกี่ยวข้องสัตว์โรกทั่วไปใกล้ไกลอยากละเอียดภูมิใดใทั้งหมดรู้ไปจากทํากลางนี้หมดเลยกระเทือนไปหมดนั่นยังงั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมรู้ทำ ร, ร, รู้อย่างงั้นสิมันตึงหายสงสัยถ้ามันไม่ได้เป็นในหัวใจแล้วยังไงมันก็ไม่หายแล้วสงสัยนี่ ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ประมาทนะว่าท่านมาเรานะเรียนจบอย่าว่าแต่แล้วจบพระไกรปิฎกก็พระไกรปิฎกตั้งแต่ความจํามันเนะ่ยความจริงไม่ได้เข้าสู่ใจแล้วยังไงก็ม่หายสงสัยถ้าความจริงได้เข้าสู่ใจแล้วเท่านั้นนะ่ะเปิดเผยออกหมดเลยอันนึงว่าอา้าวเรียนทำความจําเพื่อความจริงอ น, นี้บอกว่าเรียนด้วยความจํา <c oughs> เพื่อความจริงมันอะไรกันม่ กินเฮาองคุบ้าแล้วเนี่ยเนี่ยน้าวอันนี้หนาวนเลยแบบฉบับครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินนา น, นิษฐ นี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของลอนเป็นสําคัญนี่เรียกว่าตายใจได้เลยร้อยเปอร์ซ็ตฏิวัติธรรมที่ทางดํ า, นาเนินมานไม่มีอะไรที่จะลกหลีบปิดออกจากแนวทางแม้นิดหนึ่งไม่มีกกมแนวตามอัดตามทำตาม ท, ที่ท่านสอนไว้เลยเพราะท่านไม่สอนแบบแบกแนวนี้ไม่ได้สอนแบบอยากโด่งอยากดังอะไรซึ่งจะต้องมีอะไรอ แผงแผงก็ไปแล้วบ้างอะไรมีลักษณะแผ ง, แ, งแผงแลักษณะแสงก็ไรทั้งท่านไม่มีนั่ น, นความเป็นธรรมมันจึงไม่ผ่านไม่ผลให้คนตกตะลึงผ่านพ้นผ่านผลด้วยการฆ่ากิเลสอย่างเช่นอย่างเขาหน่องหวยขึ้นต่อยกันเพียงยกเดียวแล้วนอกเลยนั่นผ่านผลไปแบบนั้นเสียเนี่ยคุณเน่ะ เหนไหาเนินตามปฏิบัติทางของท่านแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อข้องใจสงสัยงงงานอันตู่อะไรแล้ว น, นภายนอกก็เหมาะแล้วนี่ภายในทก็สอนได้หมดแล้วอย่างตุดงขวัรนี่า น, นดําเนินตามหลักตุดวงขวั์ทั้งนั้นนะ เมื่อวานนี้ผ่านมาตรงนั้นก็เดยเห็นสถานที่ที่พาท่านมาพักที่นั่นที่แรกผมไม่พักก่อนผมไปรอรับท่านท่านเนี่เขาศบพระแม่ครูจานทร์เสาร์นี่กลับเรากะว่าพาเสร็จวันนี้วันหลังท่านจะออกเดินทางที่เราก็เตรียมไปแล้วเขาออกจากบ้านนาศินวนี่ไปไปพักรออยู่นั้น เมื่อนี้พอกาวว่าท่านจะมาแล้วก็เลยไปไปสอบถามทางท่านทางท่าพ น, น, นมอำเภอท่าพ น, นมออกจากฝั่งแดงนี้ไปน้นประมาณเจ็ดเจ็ดกิโลน่าจะได้เจ็ดกิโลไปท่านมาแล้วพอนีมาเมื่อวานนี่วะ น, นั่นละ ท่นีท่านก็นพอดีมันเป็นไขวันใหญ่อะไรมันพักที่นั้นมันคนก็ามากนี่พ้าน่ะมากลมยามลมกาอเฮ้ยแล้วก า, กาวแย่นท่านท่านมาสถานทีแล้วพักให้ท่านตั้งท่านพ่อใจเลยดีละ่ะมันไม่มีคนพ้าก็ไม่มีเมีมเหลือผมอี่แล้วพัง น, นั่นบะเป็นวัดเก่าก็พ้าไม่มีเดี๋ยวนี้วะ สบายดีมากว่ะท่านมาทำกระถามอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะมาอมเดินมากนะนั้นอนะ่ะอืมค่อยเดินมากทังตรงหกเจ็ดกิโลนะจะเฉลินนะเกือบสองรอยเซ็นคอยเดินมากนั่นนะมาพักอยู่ที่นั่นนี่เขาก่อกําแพงแนละ้ยผมนึกว่ามันร่างไปถึงไหนแล้ว ยังขเอขาตองแพงแล้วนี่มองไปเพรมอยู่ข้างทางไปอำเภอนาแก่มาปูนาแก่นอยู่ข้างทางแต่เราไม่เข้าไปดูนั่นแะต้นขอต้นอะไรอยู่นั้นที่ท่านถ่ายรูปทั้งท่านนั่งท่ายืนนะ่ะมีต้นคอต้นนั่นแนะหนละวิจินนาสารเล็กๆนะ่ะ ต้องย่อมต้องอยู่ที่เป็นลูกศิษย์ท่านท่าพนมเขามาขอถ่ายท่นท่านให้ถ่ายนะให้ถ่ายด้วยดีนะเพราะลูกศิษย์เก่าท่านเนี่ยย่อมต้องอยู่ฝาลูกถ่ายลูกสาวมามาขอถ่ายท่าน่ก็ให้ถ่ายด้วยดีท่านนั่งขัดสมาธิท่านหนึ่งท่ายืนท่านหนึ่งก็เราอยู่นั่นนั่นแหละทิง ท่านถ่ายด้วยดีคือท่านผ่านสังขารติด้วยต้องทานนั่งทานยืนนะนั่นตน้ตนต้นคอนะเนื่อรงร่างไว้แล้วถ้าบ้านร่ำหล่อมไว้แล้วนะั่นแต่ก่อนไม่มีมีบ้านคนไม่มีเลยแนะถวนั้นไม่มีเลยบ้านคนนูน่นไปบินทบาทบ้านน้ำกำ่มนั่นนะบ้านอะไรไม่ใช่บ้านน้ากำนะสามแยกน้ากำนู่น สามแยกคนก็ไม่มีมากแถวนั้นบ้านคนยวงห่งหางตอนรัฐบาลนั่นแหะนี่แหละที่ตัวอย่างที่ท่านทําให้ดูมันนั้นไม่มีไม่มีเนนก้อนมันไม่มีเนนตาพระขาวก็ไม่มีโยมก็ไม่มีตอนเช้าก่อนรัฐบาล ท, ท่านตัก ตักน้ำมาเทใส่ในบาตรล้างล้างบาตรก่อนบิดบาตรนายพระวินัยมีนี่นั่นผิดไปตรงไหนท่านําทำดูสิเห็นอยู่นี่พระวินยัยมีตักเทน้ำแต่นั้นแล้วก็ท่านไม่เอามือลงไปกวนนะ ท, นท่านทําเพื่อให้ผงอะไรๆอยู่ในบาตรนั้น ไปกับน้ำทังก็สลัดคุณวิดยังนี่แล้วแบบเอาผ้ามาเช็ดะเ้ให้เช็ ด, ดยังไงถองดุอะไคือดูเพื่อจะให้ทันกับการพูดทีด่มาเช็ดมาเช็ดเช็ดไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรนั่นวุ้ยมเชดวมันผงติดอีกสิเดี๋ยวล่างนี้เราสลัดไแล้วก็เอาไปไปเลยเป็นร่บาตเลยที่เป็นผ้ามาเช็ดก็เป็นผงอีกสิเดย อันนี้ล้างผงนี่นะท่านวะเฮ้ยยังไงท่านนี่วางกันนะเราเลยไม่ยึมนะก็มีนายอย่างนั้นยิงนี่พวินายท่านท่านพูดตามหลักพวินายผู้นี้ไม่เห็นสิผมคิดว่าไม่เห็นเราเห็นก็เป็นต่างตามท่านว่านนะั้นพวินายพอ น, นี้นี่ที่พอไปถึงบ้านเขาจะจะจ ะ, จะล้าบาต ท, ท่านไปแนละ้วดูมันจะมีอยู่อีกนิดนิดนั่นนะท่านก็เลยตะแครงสลัดตรอีกทีนึงแล้วท่านก็เข้าล้าบาตรออกอย่างนี้ บาทนี่มันกันเวลานะนะท่านไหนเอาลงจากเชิงบาทถ้าตั้งนั้นถูแล้วตกท่นบอกให้เอาลงเสียท่านว่าให้เอาลงบางมันถึงไม่ร่อแหลยมต่อการตกกันอะไรท่านวนะ่าบางทีต ก, ตกงลงโตลงข้างล่างมันกลิ่งตกลงข้างล่างมีไม่ใช่ตกนี้ธรรมดาเนี่ย น, นะการทั้งตกข้างล่างด้วยเพราะมันมีได้น้องผือเห็นแล้ว เอาบาทพอนันเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, ลวมาเอาวางไว้บนเชิงบาทอะสิไม่ได้เอาไม่ได้เอาลงแล้วมาก็มามาโดนแ้วซะโดนตกกลิ้งนี้ก็ลง น, น, นู่ น, นเลยเตา น, นั่นเห็นยว้ไรเป็นพยาาันใหมนั่นมันทำทำอะไรแม่หาที่ต้องติไม่ได้นะท่านมาบอกกันตกขันว่างั้น นี่เราก็จําได้แล้วแต่ก่อนแต่มันยังไม่เห็นเป็นปัญญาจนกระทัง่งมันเห็นพอมามเดินไปเฉียดมันปั๊มมันก็ตกลงมาทีตกลงแลปิ้งก็ลงนุ่นเลยโต๊งลงข้างล่างเออวะนี่ก็เป็นพัญญาอีูแหละพปัญญาคําพูดของท่านนะ่ะเห็นชัดเจนสลาน้องผื่นแล้วจับสลาที่ไหน มันพระเนนนี้มากกระทั่งแถวหนุนแถวหนุนอ้อมมันลงสิลูก็มานั่งแถวล่างนี่ชั้นล่างนี่พวกเนนพวกอะไรพวกพระหนุมหนุนไม่น้อยนั่งแถวล่างเนี่ยแถวเนี่ยมันตกลงนั้น่วัดน้องขือมันโล่งนะโล่งปัดกวาดมันโล่งไปหมดในลานวัดวันไว่กว้างอ่ะที่บริเวณพระอยู่เออในบริเวณอัน วัดที่ปัดกวาดนะก็ไม่กว้างนะหากมันโล่งหมดปัดกวาดนู่นพระไปอยู่ในปา่าทางยงกรมยิงอยู่ในปา่าเพราะนั้นมันป่าใหญ่นี่เมื่อเห็นนั้นเองผมถึง เ, เลยให้เน้นใหน้ใครไปทําทางกลมอยู่ในปา่าหรือนูน่นเวลากลางวี่งวันไปอยู่นูนะ่น่ะไม่ใครเห็นนิสัยเรามันเป็นยังไง ถ้าภาษาทางภาคาษาเขาเรียกว่าคนหลักความหรือว่าหลักหลักความนั่นคือไม่อยากให้ใครเห็นเหมือนกับมันเสียความขังว่ะ <c oughs> เดิยนยืนโกยเงั้นคนเดียวแลว้ไม่มีใครเห็นเดินต้องบันเดินถ้าการอยู่ใต้ดินได้เราควรจะเดินอยู่ใต้ดินยิ่งสนุกเดินนะนิสัยเป็นอย่างนั้นนะแล <c oughs> ้วเห็นนี่กุฏิของผมอยู่ดิมดิมดมวัต ผมจึงไม่ค่อยเดินยูกอมไม่ใครเห็นนะนนเป็นยังไงไรู้นะที่สาย mm hmm. เดินอยู่ในป่ามั้งเจไม่อย่างนั้นกับตอนเย็นๆห้าโมงย็นูเพื่อนเดินยูกองนี่เราเข้ากุฏิแต่ถ้าไม่ไปในป่าเข้าไปกุฏินั่งโควนาเนี่ยจนกระทั่งหมู่เพื่อนขึ้นไปหมดแล้วทีนี้เราเตรียมลงนั่นเงียบไปหมดแล้วที่นี่เตรียมลงก็ไม่มีไฟนี่เดินงานไม่งานก็ตาม เดินอย่างนั้นเลยเดินอย่งกลงุ่มผปับผูก ป, ปับมันมันเอาความสะดวกในปัจจุบันเท่านั้นนะไอเรื่องรู้ใครจะไม่รู้ทางยงกลมจนจะเป็นเหวใครจะไม่รู้ว่าเดินอย่งกลงุ่มแต่มันไม่ไปคิดคิดเอาในขณะ ท, ที่เดินไม่ให้ใครรู้แล้วเป็นพอเดินตอนดึกดื่นเหมือนกันพอตีสาม หลุตีสีเห็นไฟแล้วมองเห็นไฟแล้วปุ๊บับ่ะหนีเลยขึ้นกุฏิเลยนะไม่ใครเห็นทํางานน่ะนิสัยเป็นทําไมเป็นงั้นถ้าไม่มีคนเห็นแล้วเอาแหละทีนี่เดินอยัางนี้ไม่ทราบกี่ชั่วโมงกลางคืนนะ่ะฟัดอยู่คนเดียวนะ่ะมันมเป็นนิสัยอย่างนั้นแล้วก็พร้พอมเหมาะควานิสัยที่ชอบไปคนเดียว มันไม่ชอบกูบหมูกูเพื่อนเนี่ยผมไปอยู่คนไปคนเดียวแล้วมันมันเต็มยศยศนิสัยจาของ เ, เรื่องในัรมเนี่ยผมไม่เคยเดินไดนไ้เคยเดินตลอดลุ่มนะหมูเพื่อนมีนะเดินตลอดลุ่มยังมีผมไม่เคย<ม>เรื่องหกเจ็ดชั่วโมงในีนใจว่าได้ สี่ห้าชั่วโมงเป็นธรรมดาอาอเ่นอย่างออนองอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วปัดกวดปัดกวดเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่าข้าวทานงะงนั่นสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มเราต้องมาีิพักมาดูนั่นนั่นแหละมันมันตึงรั่วมันได้านั้นเจ็ดชั่วโมง ต, ตอนเช้าตอนเดินฉันสงสัยแล้วบางทีถึงเวลาปัดกวัญที่มันไม่ได้ดูอันนี้ไม่ไ ด, ดูเลยอนริกาไม่สนใจดูแต่หัวใจนี่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะความเพียรจะแผดล้นมากเราะมันไม่ได้ดูวเวลาดูแต่หัวใจฟัดกันอย่นี้ตลอดเลย แต่แต่ผมก็รู้ล้วว่าเจ้าของไม่เคยได้เดินจุกรมตลอดลุงมีแต่เคยนั่งเท่านั้นเองนั่งตลอดลุง น, นี่เคยยิ่งกว่าเคยแล้วนี่ไม่เจ็ดสิบเ้าคืนที่สิบคืนกว่ามัง้งแต่หากหมันไม่ได้ติดกันนะไม่ได้นั่งตลาดทุกคืนทุกคืนติดกันเวท สคืนบ้างสามคืนบ้างเป็นสี่ห้าคืนบ้างอาทิตย์หนึ่งบ้า ง, างนี่เอามานันเดินนาคเดินยังกรมนีไม่เคยไม่เคยเดินตโดดลงมันเป็นทุงมันไม่ยังไงไม่รู้นะคือมันถนัดของเจ้าของแบบไหนมันก็เป็นทุงมันจำแบบถนัดน่ะ เดินอย่กมพอเดินไปสูงควรมันนั่งมานหนื่อยๆนี่ไปนั่งนี<อ>่มันจิตลงได้เร็วด้วยด้วยจิตสงบได้ดีหรือได้ผลดีพูดง่ายๆนะกําลังเมื่อเมื่อเนี่ยไปนั่งได้ผลดีเอาเอาผลตอนนั่งเนี่ยเนี่ยตอนเดินเหมือนกับว่าหนุนกันไปห น, นปุนกัไปเวลาจะเอาจริงเหมือน ก, นกับการนั่งเนี่ยไปอย่างงั้นแนหะเพราะฉะนเวลานั่งหามลุงหามคัมมันจึงเอาของมันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย พรมันถนัดตรงนั่นตรงนั่งอันนี้เราพูดถึงการโดนจมกลมธรรมดานะเราไม่ได้พูดถึงเวลามันมันหมุนเป็นธรรมาจากักอันนั้นมันเ น, น่ยแบมันผลประโยชน์มันเป็นอยู่ทุกระยะ น, นั้นเพราะมันใช้มันมีแต่เรื่องของปัญญาทั้งนั้น นั้นมันมันติวติวติวขุดคน้นตลอดเวลามันก็เหมือนกับเรานั่งอันนั้นดีไม่ดียิ่งกระเทือนมากก็นั่งสักไปเลยวะ ไ, ไ ด, ด้พูดในหมู่เพื่อนฟังนี้ก็จพูดถึงเรื่องความแหลมคมทีเ่เหลี่ยงนี้เราไม่ได้มาพูดด้วยความรุนเรงนะ เราพูดด้วยความได้เห็นแล้วจริงๆเต่อ ก, กอนกันจริงๆไม่ใช่มาพูดเฉยๆเวลาเราเสสืา่อซาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเซ่อซาผ่านไปมันก็รู้เองว่าเจ้าของเสอสื่อซาพอผ่านไปเท่าไหร่ผ่านไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความเื่อซาของเจ้าขอ ง, ของที่บอกมันไม่ทันกุมายากริเริ่มไม่ทันทกิเลสเวลามันได้เยกยบเข้าไปมันมองย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังรู้รู้รู้ จนทั่งถึงมันเข้าขัน้นไม่มีไม่มีคําว่ายอมแพ้นอนนั่นดี่ตอนมันมันมันแหลมสติปัญญาแหลมผมตอนนั้นตอนถึงว่าไม่มีคําว่าแพ้มงกมีไม่ได้เลยฟังสิต้องหัวขาดกันนอนๆถ้าสมมติว่าแพ้ของนี่ก็ต้องแพ้โดยแบบตายเลย ที่จะแพร่ยกมือไหว้โห ย, ย่าญาติภาษาเราอยย่าญาติยกแม้วสิงลมันถึงขั้นนั้ น, นักตรงสินั่นล่ะขั้นที่มันมันรวดเร็วของเรื่อง ป, ปัญญาอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นมาพูดอยู่คนเดียวเหมือนกับมัดโกโหกเล่นหนีหน่ะมันโม้หัวหนิอันหนึ่งมันเป็นยั ง, งทัางเราเองอศัศจรรย์เจ้าของว่ะอ้าทุกปั้วปันนี้มันไปรวดเร็วกว่าดอกเดยปัญญานี่ยโน่น่ะ ถึงขั้ น, ขนมันเป็นเป็นหญิงมันวุ่นวายไม่นั่นไม่ทันจนได้รู้ว่ากิเลสมันแหลมคมจริงนละเอียดมากสวมรอยเร็วที่สุดเร็วที่สุดมเวลาปัญญาได้ทันมันเหรอมันรู้ที่มันมันออกแบบไหนแบบไหนกิเลตออกแบบไหนเพราะปัญญามัอนออก่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยออกแคหาข้ากิเลตออกกิเลตออกมาแบบไหนมันทันป๊าาป๊าาป๊าเลยเหมือนไฟอะไรเหมือนไฟไม้ดินระเบิดเนี่ยเพบเพิบเลย ม่ใช่มาพูดเฉยๆถึงขั้นที่ว่ามันสติปัญญาแหลมคมมันก็เห็นแล้วจิเลตแหลมคมมันก็ไปเห็นตั้งตอนนั้นแ่ะตอนที่ปัญญาเหนมันเนื้อมันเรื่องมันทันกันทันกันถึงขนาดที่จิเลตไม่ยอมที่จะโผล่นาคมาได้เลยมันก็ฉลาดแบบหนึ่งมันหลบมันซ่อนขุดคุยเขี่ยกันจนท่อเนี่ยมันเป็นความหมุนของจิตเองนะที่ว่าคุยเขี่ยคนนี้ไม่ใช่ว่าตั้งหาท่างคนมันเป็นทั้งมันเอง เป็นธรรมจักรอันหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ดีนี่นึงในประมวลมาวางานอะไรก็เถอะวางมันเลยนั่นถ้ายังไม่ได้ถึงขัน้นงานฆ่ากิเลสนี้แล้วใครจะ ว, ว่างานของใครเก่งหนาวางมันเลยนี่มันเป็นยังไงมันประมวลมานี่นะเพราะาเราก็เคยทำงานตามสติกำลัง<ม>เต็มสถีติกำลัง<ม>ความสามารถของเรางานไรก็ดีแทบเป็นแทบตายทำงาน แต่เวลามาเทียบกับเรื่องงานค่ากิเลไม่มีงานไหนที่จะใช้ทั้งหนักทั้งเบาทั้งละเอียดละออแหลมคมที่สุดไม่มีงานใดเกินงานคากิเลเนี่ยหนักก็หนักเป็นตามขั้นข อ, องมันละเอียดต้องละเอียดงานทั้งหลายไม่เห็นได้ใช้ความละเอียดอะไรนะักงานภาวนานี่หแมละเอียดจริงๆ มันเหมือนกับน้ําไหลซึมความละเอียดของสติปัญญาเนี่มันก็เหมือนน้าไหลซึมมันต้องเป็นขงมันเองไม่งั้นมันก็ไม่ทันกิเลสที่มันไหลซึมอยู่เหมือนกันนะนี่นะที่ว่ามันต้องมาแหลมคมพอพอถึงกันทันกันแล้วมันก็รู้ที่มันเจอสิ้งต่างแล้วทําไมมันพูดไม่ได้ล่ะอ หนักกระสุดที่สุดน่ยต้องหนักการคข้เหลดนี่หนักมากที่สุดออมันจมไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเนาะอันที่นี้ก็มั น, มนคุ้มขานอย่างนี้คุ้มหาคุ้มคุ้มเลยคุ้ ม, ม, นนมไม่มีอะไรจะมาเป็นเรื่องของจิตของใจมันมีขิเลอันเดียวก็นั้นเงขี่เลา วนเสหแล้วอะไรจะมาขวาง <c oughs> มีแต่ันยิบเ ย, ب, ยบเหมือนหางกินจกดินท่านเองถึงวลาของมันแล้วมันก็ไปของมันเองวิตก ว, วิจารก็มอือเพเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติทางเครื่องําเนินและความตั้งใจสิีวิตก ว, วิจาร์ทุกวันนี่ใครจะสืบทอด มรดกของกูบาอาจารย์ไว้ได้ด้วยการปฏิบัติทั้งภายนอกภายในการปฏิบัติภายนอกือุดงควัตรการประกอบความปาคเพียรภายในแก้กิเลสสองอย่างก็ศึกษาด้วยความตั้งใจจริง มันก็พอเป็นพอไปก็ข้ อ, อ, อวัดปฏิบัติก็ครูวาาจารก็พาดำเนินอยู่แล้เป็นของยาำแย่มองเห็นได้ชัดอย่นี้เราพูทัึงเรื่องภายในท่านก็ได้ชี้แจงไว้แล้วอย่างทุกวันนี้มีทั้งเทปมีทั้งหนังสือพอที่จะมาเป็นแบบเป็นฉบับได้เราสงสัยการปฏิบัติของตัวเอง ไม่อยู่ในแห่งหนึ่งก็อยู่ในแห่งหนึ่งจนได้ที่ทารสอนด้วยความถูกต้องแล้วแม่ใจแล้วน่ะอะไรมั่งนระเด็นเนาะ